เข้าใจยังออบุคคลที่ได้ตัดสู้ที่เราตั้งจิตปารธนานี่ไงที่แบบอย่างของเรานี่ไงปฏิปทาของเรานี่ไงเป็นตัวอย่างที่เราจับเป็นให้ได้แล้วที่ยาวไกลที่ผ่านมาเนี่ยบางทีไม่เห็นลองสร้างบา ร, รมีอย่างเดียวดายเคยเป็นไ้มล่ะไม่เห็นพทธเจ้าเลยอะอย่างหลา ย, ลายที่อย่างหล า, หลายท่านทั้งหลายเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้รับความสุขเลยเนี่ย เรานึกว่าโอ้โหการไปเที่ยวตรงนั้นก็มีความสุขบางคนถึงกับคิดเลยนะว่าอทํางานเสร็จแล้วจะเที่ยวรอบโลกอบางคนเคยตั้งใจอย่างนี้ไว้ไปจริงๆกลับมาคือเมื่เคยเจอมาเคยเจออะไรก็ไปมาหมดมันไม่เคยสบายใจเลยท่านก็ว่าไปไปมาวงศึกษาคำสอนก็โอ้โหนี่เองก็ว่าที่แกวิ่งหาอยู่นี่เองแต่แกไม่รู้ว่าหาอะไรจนจะแก่ตายอยู่แล้วก็บอกจนจะแก่ตายแล้วที่แกวิ่งหาไม่รู้อะไร เห็นไหมอัตยาศาัยบางทีตั้งไปแกก็นึกว่าอะไรนะจะทําให้ตัวเองมีความสุขเขาวิ่งไปสิวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไม่เจอสักทีบางทีไปเจอตอนที่ปัญญาไม่เกิดก็ไม่เจออีกเอา้าบางทีมันไม่มันไม่พร้อมอะ่ะเขาเรียกตอนที่ปัญญาไม่เกิดตอนที่บา ร, รมีที่ยังไม่ไ ม, ไม่เหตุปัจจัยที่ยังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมให้สังเกตดูนะเจอก็ไม่ได้เลยรหรอกอย่างเราเนี่ยเราเจอศาสนาเจอคําสอนพระเจ้ามาตั้งนานแล้วมันตื่นเต้น ม, มั้ย ก็ไม่เจอเห็นไหมก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่าวันใดวันหนึ่งพอมาเจอแล้วเราจะรู้สึกว่าเออ น, นี่ใช่แล้วเราเดินมาถูกทางแล้วใครเคยเจอเคยเกิด อ, อย่างนี้บ้างหรือยังหรือว่ายังสงสัยอยู่ถ้ า, าว่าคิดว่าโอ้โหนี่คําสอนพระเจ้านี่เราเริ่มคน้นคนเจอแล้วเนี่ยในลักษณะอย่างนี้นะท่านถึงบอกว่าท่านไม่ท่านหายใจคล่องแล้วไม่ติดขัดจึงจัดเป็นอย่างดีได้ชีวิตของเราคราวนี้จักว่าเป็นชีวิตที่ดีมีผลเราได้ ยนพระตถาคตพระเจ้าพระองค์ใดเราได้ถวายนะ้ำมการแล้วแต่พระตถาคตพระเจ้าพระองค์นั้นสมเด็จพระสาคานจักรพรรดิราชตรัสถมณวาทีอย่างนี้แล้วก็บังเกิดปีติดังที่ได้กล่าวนะทั้งขุตกาปีติคณิลาปีติเป็นต้นเนะลยเนี่ยลําพึงในพระในหาไทยบอกว่าเราได้อุดมสมบัติเนี่ยปรากฏเยี่ยมเทียมสุทัศน์นามหายสูนมาประเสริฐเกิดแก่เราณณภพนี้เพราะอะไรนะเนี่ย ถามบอกอ๊ที่เราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาเนี่ยเพราะอะไรอ๋อเพราะทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงเวขาบา ร, รมีเป็นที่สุดพอมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราทํากรรมเหล่านี้ไว้ในปริมาชาติคือในอดีตชาติอย่างยาวนานจึงอาจอํานวยผลเห็นปานนี้เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตเตนะก็คือในอนาคตเนี่ยนะบัดนี้สมเด็จพระตถาคตสากยามุนีได้เปื้องพระองค์ให้พ้นจากสังสารทุกข์ คือพุทธจยานี่เปลื้องตนเปลื้องตนเองแล้วออกจากชาติทุกข์เป็นต้นได้แล้วก็ทําสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นแล้วด้วยดีแล้วไม่พอนะนอกจากจะทําเปลื้องตนเองออกจากชาติทุกข์แล้วก็ยังสามารถเปลื้องสัตว์ที่พ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นแม้เราก็จะเปลื้องตนให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์แล้วก็จะทําสัตว์ทั้งหลายอื่นให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ด้วยกันอย่างนี้เห็นไหมพอท่านเห็นแบบอย่างท่านลงใจแล้ว ว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอย่างท่านผู้นี้ยท่านผู้นี้สามารถที่จะละราคะโทสะโมหะแล้วก็เปื้องความทุกข์ของตนเองที่จะเป็นไปในสังสารวัฏอย่างยาวไกลได้และในที่สุดจริงๆก็คือสามารถช่วยผู้อื่นให้เปื้องจากวัฏทุก์เป็นต้นได้เราก็จะเป็นอย่างท่านผู้นี้ยพระเจ้าสาคอบรมจกักรพรรดิดัมหัสรสรเสริญพุทธสริรักษ์องคาวิยบด้วยประการชนี้แล้วก็ถวายบังคมลานะลุกจากอาดทำประทักษิณ พระภูมมีพระภาคเจ้าแล้วก็เสด็จเข้าสู่พระนครแล้วพระองค์ก็ตดำรับสั่งให้นําเอาแก่นจันนะอันบริบูรณ์ได้สีและกลิ่นเป็นต้นมาอย่างมากมายให้กับนายช่างนะทำปราสาทนะประมาณหนึ่งแสก็คือว่าแล้วก็ด้วยแก่นจันท์ทั้งนั้นเลยก็คือสร้างปราสาทแสนหลังเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายพุทธเจ้าพร้อมได้พิภิกษ์สงฆ์หมู่ใหญ่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้ทํากุฏิสาลามนดบ ที่เล่นในราตีที่วาวันนะซึ่งจที่จองกรมแล้วก็ลงไฟหอฉันแล้วก็ุ้มทวานนะแต่ล้วนสิ่งละแสนลองคิดดูพระเจ้าจากักรพรรดินี่ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะบูชาต่างๆเหล่านี้ยศถามบอกว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเรามีของน้อยๆบูชาพระเจ้าเราจะคิดให้มากมายคิดยังไงคิดได้ไหมเราเห็นพระเจ้าเป็นดินองค์ก่อนๆ อ, อย่างในประเทศไทยเราเนาะ ที่อย่างว่าพระเจ้าตักศิลนําแผ่นดินทั้งประเทศบูชาเป็นพุทธคุณเอ๊ะเราเราจะทํำยังไงดีเราน้อมบูชาต่อได้ไหมเราก็น้อมตามไปเหมืเป็นไรเลยใช่ไหมเราก็ได right ้ได้เป็นแสนเนี่ยน้อมบูชาได้ก็ตรงเนี <t <t ้นะแวดล้อมไปด้วยราชบริพารเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เพื่อเพื่อแล้วก็เป็นที่รื่นลมใจแล้วให้เป็นพระคันตะกุดีอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขันมหาวิหารสําเร็จแล้วทุกประการจริงๆวัดสม่ไหก่อนเขาเรียกวิหารนะถ้าวัดใหญ่หน่อยเขาเรียกมหาวิหารเห็นว่าเชตวันมหาวิหารนะหรือนารันทามหาวิหารน่ยนะนั่นแหละมหาวิทยาลัยนารันทานั้นคาว่าวิหารปัจจุบันในที่อินเดียเขาแค่รัฐอะไรมีอยู่รัฐหนึ่งนั่นแหละก็คือเป็นรัฐที่มีวัดมากที่สุดคําๆนี้ยคือวัดมากที่สุดที่อินเดียเขาก็ไม่รู้ เขาก็เรียกไอ้ศัพท์นี้มาใช้ต่อกันมาอยู่ทุกวันเนี่ยคือเป็นรัดทั้งรัดธนั้นแหละเต็มไปด้วยวั ด, ดว่างั้นเถอะก็คือคำว่าวิหารนี่นเองคือพิหารก็คือคําว่าแปลงพอเป็นวอเนี่ยนะตามหลักของภาษาก็ก็นั่นแหละคือวัดเต็มไปหมดสมัยก่อนจตปัจจุบันนี้แทบหาไม่เจอแล้วก็คือเป็นเป็นวิหารนี่เหมือนกันท่านก็นสร้างมหาวิหารสําเร็จได้ทุกประการแล้วเนะย พระเจ้าสาครบรมโพธิสัตว์แวดล้อมได้บริวารปริมนทนเน่ยสามสิ้ายอนี่หนักกว่าเดิมอีกจาก12บยอดเป็นสามยอดแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายพิวัตรแล้วก็กราบทูลถวายนะียถวายหมหาวิหารอิมาณิพันเตปาสาทานิเป็นต้นถวายประสาทเลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้ามหาจันทน์วิหารนี้ข้าพระพุทธเจ้าสร้างถวายเฉพาะพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์เนี่ยนะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมีพระมหากรุณาอนุเคราะห์ข้าพระองค์จงทรงรับเสนาสนะของข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเนื้อความชนีแล้วก็นําเสด็จพระพุทธดําเนินเข้าสู่ภายในมหาวิหารนั้นแล้วถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระยาสงฆ์มีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็อุทิศถวายเครื่องอุปการะทานนะประมาณเท่านั้นก็คือประมาณอย่างละแสนเลยถวายทั้งหมดอย่างละแสนอย่างละแสนเนี่ยนะ การมาคุณเรียกดังยังก็เปล่งวาจีปรารถนาว่าอีมานิปุญญกรรมเมนะนะ่ด้วยบุญกรรมนี้ขอจงเป็นปัจจัยราศีเสริมส่งให้ข้าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสาักยะมุนีโคดมเสมอได้พระนามของพระผู้มียภาคเจ้านี้เถิดตรัส ด, ดังนี้แล้วก็ได้ประพันธ์คาถาเลยบอกว่ายาธาตวมมสีนาโถเนี่ยพุโทโพุโทโถโเมสีปานีนางบอกว่า ตาเทวะเอโกปิพุทโธโพเทเยสสามีปานีนางบอกว่าพระบรมไตโรโลกนาถเจ้านี้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามารถยังสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ด้วยได้ฉันใดข้าพระพุทธเจ้าจะขอตรัสเป็นพระพุทธเจ้าจะยังสัตว์ทั้งหลายให้ได้ตรัสรู้ได้ฉันนั้นเอาแล้วตั้งจิตปราถนานี้แรงกล้าไหมแรงกล้ามากนี่ตั้งจิตปราถนาเปล่งวาจาไหมเปล่งแล้วะแต่เนี่ย เปล่งวาจานี่ยก็เรียกกล้าเลยไม่ใช่คิดในใจแล้วเป็นการเปล่งโอ้คนที่จะกล้าเปล่งวาจาต่อหน้าพระเจ้าเนี่คือหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักใช่มหมเออไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่ระดับพระเจ้าแผ่นดินของเรานะี่ยเขาบอกว่ามีโยมท่านหนึ่งแม่ก็เอไม่ใช่รู้จักกันนี่แหละพระก็ได้เป็นป ร, ริยนธรรมก้ า, าวโยกใช่ไหม ทีนี้นีพระนี่ท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคอีสานแต่นี้ก็สมัยก็คือพระเจ้าเป็นดินก็จะต้องมีการหมอปะไตรแก่บรรดานาคหลวงทั้งหลายในพระโบสถ์วัวดพระศรีรัตนศาสดาภรณ์พระแก่ของเรานี่โอ้โหว่แกรู้ว่าแกเป็นโยมมเอแม่เป็นแม่ใช่ไหมของลูกชายแล้วก็จะต้องได้เข้าเฝ้าด้วย เขาบอกว่าที่รู้เนี่ยเนาะตั้งแต่รู้มาเนี่ยสิบวันยี่สิบวันเนี่ยนอนไม่หลับแกกลัวตื่นเต้นเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเอลูกชายพระลูกชายก็เออตอนนั้นเป็นเน้นอยู่ก็ไปบอกคือทีต้องไปนั่งบอกยอมแม่เขาให้เรามาไปช่วยบอกบอกอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรคนก็ไปกันเยอะแยะอย่าไปกลัว ใช่แกก็ยังนั่นอยู่แหละต้องใช้ยาดมยิ่งวันจะมาเขาจริงๆนะแกเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเอาเราคิดเงี้ยนี่ระดับแค่ว่าใช่ไหมปุถุชนเข้าหาปุถุชนอันนี้ปุถุชนเข้าหาพระพุทธเจ้าแล้วต้องไปเปล่งวาจาต่อหน้าท่านผู้นี้ซึ่งเป็นผู้แล้วรู้ข้อมูลอย่างเราท่านทั้งหลายศึกษาและศึกษามากกว่าเราด้วยออ รู้รายละเอียดของการที่ท่านบุญนี้คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วเราจะเป็นการเปล่งวาจาครั้งแรกโอ้โหเราคิดดูใจเลยนะกล้าไหมแล้วแล้วภิกษุสงเป็นเรือนแสนแต่และองค์อภินญาย า, ยานใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนเหมือนหิ่งห้อยเล็กๆนะแสงพระอาทิตย์ สว่างจ้าอย่างนี้ยที่เข้าไปหาอย่างนั้นบินก็ไปหาแสงพระอาทิตย์อย่างนั้นลองคิดดูแล้วไปประกาศว่าข้าพเจ้าจะทําแสงของข้าพเจ้าให้เท่ากับแสงพระอาทิตย์ในอนาคตเขาใช่ยังอย่างนั้นแหละจะทําแสงของข้าพเจ้าให้เท่าพระอาทิตย์นี้ให้ได้ใจต้องกล้าจริงๆนะไม่ใช่กล้าธรรมดาต้องอาถาร ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องแรงกล้าจริงๆต้องมั่นใจจริงๆเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเอามีใครตะคอยไหมลุกขึ้นมาประกาศดังๆเนี่ยจะมึงก็จะต้องซักถามใช่ไหมเอ้าปราถนาแล้วอาตมาจะได้ถามหน่อยเอ้าไล่บา ร, รมีให้ฟังหน่อยเอาลักษณะรักษาประจุประฐานพระทฐานของบา ร, รมีแต่และข้อไลอ่อาตมาฟังหน่อยเอ้าพระวินัยยปิฎกหน่อยที่ลองโนหน่อยที่เอาพระสุตตานยปิฎกพระพิธรรมปิฎกลองไล่ฟังเงี้ยนะ เขาใจจะเพราะอุตส่าห์ประกาศดังๆแล้วเนี่ยต้องชำนาญชำชองทีอย่างเงี้ย น, นคือกล้าอย่างนั้นแปลว่าพร้อมไม่พร้อมนี่เหมือนกันท่านพร้อมเหไหมท่านพร้อมที่จะอาถารในการที่จะไปกล้าประกาศอย่างนั้นนี่แหะคือคือผู้ปรารถนาเป็นพระเจ้าทั้งๆที่เป็นอนิจจตาโพธิสัตว์เห็นไหม ฉนั้นในกรณีที่เป็นนิยตานี้ไม่ต้องพูดถึงแปลว่าท่านคิดมาก่อนเนี่ยยังยาวไกลแล้วว่าถ้าไปต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ยเราจะเปล่งวาจาให้ได้เพราะที่ผ่านมาจะเปล่งก็ออกไม่ได้ใช่ไหมไม่ออกแล้วไปเจอก็หยุดไว้หยุดก่อนแล้วในส่วนจริงๆนเดี๋ยวนี้อันกันไม่ได้แนละ้วถ้าไม่ได้พูดเนี่ยเหมือนใจจะขาดเนี่ยใครเคยเป็นไหมเคยเป็นในโทสะใช่ไหม บอกวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่บ้านพังเคยเป็นไหแล่ะไอ้โทสะอันนี้ลักษณะนี้ตัวกุศลขับเคลื่อนไม่ใช่ตัวโทสะขับเคลื่อนไม่ได้พูดด้วยโทสะนะแต่กุศลจิตที่ในเกิดขึ้นในกระแสะขันของท่านเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันทําให้ท่านกล้าเปล่งวาจาเถหน้าพุทธเจ้าลองคิดดูได้ว่าท่น า, ศ า, ศ า, านสร้างประาสาทไม้จันทร์ถวายแสนหลังภิกษุก็หนึ่งแสน หนึ่งแสนรูปเนี่ยประกอบด้วยพิญญาทั้งนั้นน่ะ อ, องค์อาจทั้งนั้นแหละเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้คงที่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่ไม่สํารวมระวังใช่ไหมไม่หวั่นไหวในโลกธระทาคือมีราบเสริมราบมียอเสริมยอดนินทาสารเสริญสุขระทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ท่านเป็นผู้มั่นคงดุดเสาโลเนียดกันหมดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประทับนั่งแล้วอินทรีผ่องใส มหาปุริสราคณะประดับด้วยอนุพยัญชนะอีแปดสิบงดงามว่าปานนั้นแล้วแล้วพระโพธิสัตว์เป็นบุตรชนเนี่ยเป็นบุตรชนแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินยิงก็คือเป็นปุตรชนนั่นแหละแต่กล้านั่นแหละกล้าเปล่งวาจาอย่างนี้ตรงนี้ถามว่าถ้าเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เมื่อเปล่งวาจาในลักษณะอย่างนี้แล้วนะีนะท่านก็ มาใครครัวในลักษณะว่าในเมื่อท่านก็อุปมาพุทธการ ะ, ะธรรมเลยลำดับนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษการที่จะกะระทําพุทธการ ะ, ะธรรมเนี่ยย่อมยากพูดไทฟังเลยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยพูดให้ฟังเลยบอกว่ายากนะการที่ท่านเนี่ยปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนั้นะท่านเป่งวาจาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพูดความยากให้ท่านฟัง เมื่อฟังแล้วท่านจะได้ถ้าใจไม่กล้าจริงท่านจะได้เลิกอะ่ะใช่ไหมสงสัยเราเจออปปามารแรกนึงไม่ไหวแล้วท่านบอกว่ามหาระกะติดุกะ ก, ะกะรังบอกว่าดูก่อนมหาบทพิษการที่พุทธกาลธรรมนั้นย่อมยากยิ่งนักที่บุคคลจะทำได้หมายความทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเป็นต้นเหล่านี้เนาะ ถ้าพระองค์ใครจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยในห้องจักรวาลอันกว้างแล้วก็ลึกหาประมาณเนี่ยเต็มแล้วในด้วยหลุมหลุมฐานเพิงก็คือว่าจักรวาลเนี่ยในห้องจักรวาลถามว่าจักรวาลหนึ่งนี้ความลึกความกว้างเยอะไหมจักรวาลนหนึ่งไม่ใช่โลกใบเดียวเนืจักรวาลมีลึกไหมเนาะนั่นแหละเอาหลุม หลุมลึกๆอย่างนั้นเน่ยเต็มไปด้วยถ่านเพลิงถ่านเพลิงหรือไฟเนี่ยนะร้อนรุ่มสมสมครุเนี่ยแล้วก็ระอุอบยุ่นภายในเป็นอย่างยิ่งก็แปลว่าหลุมถ่านเพลิงอันเนี้ยร้อนมากแล้วก็ระอุสมครุเนี่ยนะที่ว่าระอุเนี่ยร้อนอย่างยิ่งด้วย มาเอ๊ะจะอุ่มาไงดีนะเอามาก็เลยบอกว่าเออเครเคยเห็นในตัวลาวาที่มันในภูเขาไฟระเบิดมั้งเอางั้นอ่ะไอตัวลาวาทั้งหมดนั่นน่ะเอามามาเต็มห้องจักรวาลเลยไม่มีควันเลยนะไอตัวลาวาตัวเนี้ยความร้อนเนี่ย น, นั่นแหละในห้องจักรวาลทั้งสิ้นนั่นแหละมาถมทั้งจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเอาเต็มเต็มเลยเนี่ยเอาเนี่ยแต่โดยสํานวนเราก็คือเห็นลาวาที่มันร้อนร้อนอย่างเนี้ย ไปหมดอย่างนี้นะถ้าถามบ อ, อกว่าความร้อนขนาดนั้นถ้าผู้ใดมีใจองอาจเพื่อจะฝ่ า, าบุกบทไทจรด้วยฝีเท้าเปล่าก็เดินด้เท้าเปล่าเลยว่างั้นไปในกองฐานเท่าซึ่งร้อนขนาดนั้นน่ะนะในหมื่นจักรวาล น, นั้นได้อะผู้นั้นก็จักทําตนให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นี้ประการแรกนะหม่พูดตรงนี้ธรามมาเคยมีประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์อย่างนี้นะ ตัวประกานตอนมาเป็นคาราวาเนี่ามาวิ่งหนีไฟทีนี้วิ่งวิ่งคือรองเท้าเนี่ยไม่มีวิ่งวิ่งไปอย่าลืมเนี่รองเท้ามันหลุดเนี่ใส่รองเท้าธรรมดาเนี่ยที่มีหูเนี่ยรองเท้าแตะอะไรธรรมดาเนี่ยวิ่งวิงเนมันจะหลุดหมดแหละพอวิ่งวิ่งวิ่งไปนี่ไฟมันล้อมในป่านะไฟมันล้อมตอนตอนตอนอยู่ที่ไฟไหม้ป่าไฟมันล้อมแล้วก็ยังทาไงจะวิ่งออกเนี่ย ก็ก็ดูแล้วยี่ตรงไหนที่มีไฟน้อยที่สุดตรงไหนที่มีไฟน้อยที่สุดก็เอ้ยมุมนี้มุมนี้แล้วก็วิ่งวิ่งเพื่อจะตัวเองออกมาเนี่ยโอ้โหพองหมดแล้วเท้าแต่แต่มันพองไม่มากเพราะเราจะต้องรีบวิ่งแล้วยกเท้าให้เร็วที่สุดวิ่งป๊ป๊อปปแล้วไปเหยียบใช่ไหมบอกโอ้โหกลับมานี่พองแต่แต่ว่าข้างบนเนี่ยจะพองเยอะเท้าหนาจะไม่เคยพองตั้งแล้วกลับมาทั้งยาทั้งอะไรทายเยอะ เนี่ยพราะอ่านมาถึงเรื่องตรงนี้ทีไรก็นึกถึงตนเองบอกว่าขนาดแนทะไฟเรียกกดินมีนิดเดียวถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าในเมื่อห้องจักรวาลนั้นกว้างลึกสุดตั้งที่เต็มเป็นด้วยหลุมถ่านเพลิงมีเปลวและควันปราศจากก็หมายความว่าไม่มีควันนั้นมีสีแดงนั่นแหละแล้วก็ยาวเป็นพืชเลยนะในห้องในหมื่นโลกธาตุ ถ้ามืมีใจอาหาร น, นะผู้ใดมีใจอาหารเพื่อจะย่างเท้าบทบทหจรไปบนฐานเพลิงนั้นจนตลอดฝากโน้นได้ดังนี้ผู้นั้นก็จักทำตนให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นี่อีกประการหนึ่งเนาะนี่เป็นประการที่สองแล้วอันนี้หมายความยาวนะไม่ใช่ความลึกอย่างเดียวหรือในเมื่อห้องจักรวาล น, นั้นอันกว้างลึกสุดที่จะประมาณนะั้เป็นภูเขาเหล็กลุกเป็นเพลิงอยู่ไม่รู้ดับเนี่ยและมีพื้นเบื้องต่ําตามระวางแห่งซอก คือข้างซอกแห่งภูเขาเต็มไปด้วยน้ําทองแดงก็เหมือนกับลาวาดังที่ได้กล่าวนี่แหละอันร้อนแล้วก็ละลายเหลวแล้วก็คว้างไปหมดนะ น, นะดุดมหากุมพีนรกคือกุมพีนรกเนี้ยจะเป็นนรกเกี่ยวในะเรื่องเนี้ยจะมีพวกฐานหลุมฐานเพิงทั้งหลายไหลยอยู่ถ้าไปตกในนรกนี้ก็ทรมานเนี่ยนะ่ะผู้ใดาอาจที่จะไหว้แต่เนี้ยเป็นทะเลเพลิงแล้วก็ว่ายข้ามไม่ใช่วิ่งไม่ได้เดินเท้าเปล่าแล้ว เ, เหมือนกับเป็นทะเลเพลิงเนี่ยแล้วก็ให้ไหว้ถ้าคิดว่าจะไหว้จากฝั่งนี้ไปอีกห้องจั ก, กรวาล น, นั่นได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้นะนะถ้าถามว่าความยาวไกลแห่งการตั้งความเพียรแบบเนี้ยนั่นแหละจึงอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถามว่ากล้าไหมท่านก็บอกว่ากล้าพอฟังแล้วเนี่ยก็ยังท่าแยะ คือไม่เหมือนมะปาตาขาวอย่างที่บอกใช่ไคือไม่ขี้ขาดเลยฟังแล้วก็บอกว่ากล้าถ้าเรามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมักเจ้าอุปมาและต่อนหน้าพระพาของพระเจ้าเนี่ยพราะไปได้ยินพระสุรเสียงด้วยแล้วก็อัดฐาก็ชัดเจนในในในใ น, ในกระแสขันของตนเองด้วยเนี่ยแล้วตอนนั้นน่ะถามว่าทำไมไม่ตัดะรุปแล้วแต่โดยตรงคืออย่างเนี้ย ท่านบาเพ็ญบารมีมาขนาดนี้ท่านตัดสู้ได้ในวันนี้ท่านเป็นพระโสดาบันได้เลยในที่ฟังปุ๊บเนี่ยมันรู้เป็นพระโสดาบันก็ได้ใช่ไหมนในส่วนจริงจริงท่านเคยทาว่าตายสิน้นเหลือแค่7ชาติแล้วท่านไม่ต้องไปลาบากลําบนอีกแล้วอีกทั้ง9อสองไข้แล้วก็บวกอีกสเนี่ยไปอีกไกลเรื่เดินทั้ง13ามอสงไข่อ่ะกว่ายิ่งกว่าจะตัดสู้เป็นพระเจ้าอย่าเนี้ยงั้นท่านก็เปลี่ยนใจก็ได้นี่โดยโดยโดยอัฏฐะคือยอย่างนั้นเลยแล้วถ้าท่านจะเอาโลกุตละธรรม ท, ท่านก็ได้วันนี้ แต่เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นตอนอ้นเงี้ยท่านไม่เปลี่ยนใจบอกท่านไม่เปลี่ยนไกลนะอสงไขท่านก็รู้ท่านก็ศึกษาท่านก็เข้าใจอัฏฐาก็ชัดท่านจะทำพิญญาวนันนี้ท่านก็ได้บุญท่นก็เยอะใช่ไหมท่านระลึกดูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาพูดใหม่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยได้อัฏถาคืออย่างเงี้ยถ้าอย่างเราก็ต้องเดี๋ยวเดยเ๋ ย, เยที่พูดไปขาขอกลับใหม่ เดี๋ยวลงไปเจริญอริยญาณระลึกในนาคตดูที่จะยาวไกลแค่แคไหนใช่มก็หนักเข้าหนักเข้าก็จะเปลียนเอาจนได้นี่นะตรงนี้ก็คือสมเด็จภาษาคลอบรมโพธิศัตว์ได้ทรงสดับบรมพุทธาที่บายบรรยายเปรียบอย่างนั้นแล้วก็กำลังปีติยิ่งเกิดเอาสิปีติยิ่งเกิดบอกโอ้ทั้งขุทกาปีติทั้งคณิกาปีติอุบ อุเพงคาปีติใช่ไมอกกันติกาปีติแล้วก็พารณาปีติทราบซ้ำท่วนท่วมท้ น, ทนในใจเลยแทบยั้งตัวเองไม่อยูอ่ใครเคยพูดเรื่องความท้ออะไรมาบอกว่าบอกเอาเนี่ยกล้าไหม บอกบำเพ็ญเข้าไปศึกษาคําสอนเบีดเสร็จแล้วก็ใคร่ครวรในการศึกษาทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้เข้าใจนะกรรมฐานสามสิบแปก็ช่ํา ช, ชองในเบื้องต้นด้ากลางเลยที่สุดแล้วศึกษาให้ทรงจําไ ด, าทได้ทรงจํำสติปัฏฐานได้ชัดเจนสาธยายได้ด้สมมุติไงเนาะเอาสาธยายให้ได้เบ็ดเสร็จเนี่ยแล้วให้ทรงจําให้ได้พอบอกออกมาบอกงี้บอกว่าทําได้ไหมบอกทําได้บอกบอ ก, กลัวไหมอกไม่กลัวกล้าไมไหมกล้า ต่นี้อย่างนี้มีอัจริยาใส่แต่บอกเอาที่ไ ป, ไปศึกษาทรงช่วยทรงสติปัฏฐานหน่อยที่โอ้ยาวไม่ท่าน <c oughs> ก็ยาวในทีขณิกายก็ในทีขณิกายด้วยในมัชฌิมขณิกายด้วยโอ้ยบอกนังดูที่เปรเปิดดูดีโอไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วทรงอย่างเดียวไม่พอเนะียฟังเพื่อเกิดความเข้าใจด้วยเนะี่ยในอัฏถาและพยัญชนะชัดเจนเป็นต้นด้วยเนะี่ย ยิ่งบอกโอ้ไม่เอาใหญ่แล้วฟังถามว่ามีไปฟังกี่วันด้านจบเลยใช่ไหมเราจะท้อไปตามระดับของของของสิ่งที่เราเขาให้ข้อมูลแกเรานะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาไปเจอเรื่องราวอะไรต่างๆอย่างนี้เราจะคํานวณเวลาทันทีเลยนะแตเ่เรื่องกรรมคุณให้สังเกตดูเนะี่ยเราไม่เคยคิดเรื่องท้อกันเท่าไหรนะ่หรอกให้สังเกตดูนะตอนเป็นเด็กๆเกนี่ยไหมก็ให้เรียนเรียนเรียนแล้วก็เรียนมาตั้งแต่กว่าจะจบประถมก็หปีเป็นต้นเลยเนะี่ยแล้วจากมัธยมอีกเท่าไหร่ แล้วก็เรียนระดับปริญญาตรีเท่าไรปริญญาโทเท่าไรปริญญาเอกเท่าไรเป็นตะ้นเงี้ยนะแล้วในส่วนจริงจะต้องทํางานงานอีกตั้งหกสิบปีแล้วก็ค่าไม่เห็นคิดอะไรกันมากเลยงวนเสี่ยงนี่จะทําได้ทั้งหเสี่ยงชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเยอะแยะบางคนนี่เสี่ยงชีวิตเลยนะทํางานลืมตายกันเลยแนละ่ะอันนี้เรื่องการแสวงหาวัตถุกรรมเราทำกันจริงๆริงอย่างแต่พอมาเรื่องคําสอนบอกว่ามันยากนะท่านมันยากนะท่านอย่างเงี้ยให้สังเกตดูไหมว่าเราก็พลิกความรู้สึกใหม่เราดูว่าบริษัทท่าน ว่าท่านทำไมต้องต้องทั้งทำขนาดนะั้นตรงนี้คือคือพอมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เห็นนะเห็นบอกว่าท่านก็สมเด็จพระผู้พระบรมพอทิสศได้ทรงสดับพุทธาทิบายเปรียบดังนั้นแล้วกำลังแห่งพลังปีติก็ยิ่งกล้าก็ออกพระวาจา ว, ว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพุทธเจ้านี้แลจักข้ามไปในที่เท่านั้นให้ได้ อย่าว่าแต่สิ่งที่มีในมนุษย์โลกเห็นปานดังอุปมา น, นั้นเลยถึงแม้ว่าสัพพัญญุตยานมีอยู่ในเวจีมหานรกเอาสัพพัญญุตยานนะอยู่ในเวจีมหานรกนะข้าพุทธเจ้าก็อาจจะดันด้นดำลงไปนะค้นคว้าเอาให้พบให้ได้ถ้าไม่สามารถจับสัพพัญญุตยานขึ้นมาได้ก็จะไม่ยอมเลยนะนะลำดับนั้นพระสมเด็จพระสกยมุนีนะก็พิจารณาก็ทราบจริงๆพระองค์ทราบนะ ว่ามาโนปฏิทัศว่าปฏิทานของพระพุทธทีบังกรเนี่ยเนี่ยเออเข้าใจพุทธทางกูลโพธิสัตว์เนี่ยกำหนดแต่สารามันดากนิพายนี่นสิบหกออสิบสิบสามมโสถขแสนกลับเนี่ยในระหว่างที่สุดนั้นจะมีพัทธกับแล้วก็รองรับพุทธเจ้าทีห้าพระองค์นะแล้วก็กลับนั้นก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าสักยมุนีสีโคดมด้วยตถาคตนี้ในพัทธกับพระองค์ทราบอย่างนี้แล้วก็จริงๆรงิงก็ดําลัดนะบอกว่าเออถ้า ถ้ามีความประสงค์นะในตานองพูดแบบไกลๆบอกว่าถ้ามีพระราชาประสงค์สัพพยุตยานก็ต้องบําเพ็ญบารมีถ้ามีความประสงค์ใช่ไหมก็บําเพ็ญบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบแล้วก็ปรมิทธบารมีสิบก็ไล่เลยทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบิกบุเบกขาแล้วก็ไล่ไปตามลําดับในลักษณะอย่างนี้งั้นเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันหน่อย